พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่3มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าอาบน้ำให้กายวาจาใจเมือ่อเดเป็นวันซุก ที่สามมีนาคมพุทธศักราช 2,560 เมื่อในพระในวัดของเข้า40องค์ลงมาชั้น2บหางดสัน1บหาสมาเน้นหนึ่งหนากหนึ่งโอ้พระบอบ ม, มาชันหลายองคนะ์มั้น10 1หาองค์อากาศเริ่มเย็นนะมือเช้าในลูกลานเนละอากาศ แปลเปลี่ยนจริงๆเดือนมีนาเมษาในช่วงนี้กลางวันห่อนกลางคืนหนาวมือเศร้ามากเย็นอีกเมื่อเอือนเป็นวันที่สีวันที่สีไมีนาคมท้งวัดต่อสีเสียดครูปบอที่เคยมาอยู่น้ำเฮาที่เพิ่นถูกขาดตะกรรมนักเล่ง นิ่งเพิ่นมือละสามสีปีให้หลังครบรอบเพิ่นมืออื่นบ่พ่อกับแม่เพิ่นเกิดนิพจนหลวงพ่อไปฉันจังหันปิ่นทบาทชั้นเช่าถ้าหลวงพ่อโบเจ็บโบไข่โบป่วยกิดขนะึ้นสิปัยน่มืออื่นนะ่อลูกหลานน่ะผู้หนีผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อเหนือนะ่นนะไปพบกันทย่วัดต่อสีเสียดวัดท่านหลวงตาสุข วัดพ่อแม่กูบะหมอหมอบันดิตสุพันธิ่โตเพิน่นเคยมาอยู่กับเฮาเคยเป็นหมออยู่โรงพยาบาลอำเภอหนยุ่งเป็นพอ อ, อุ่นแหลกคนแหลกอำเภอนนยุ่งจากนังกระยาใหญ่ไปอยู่ทั้งอำเภอชัยว่านบมอไปเลียนเฉพาะทางก็เลยบวชเลย พอกรแม่เพิ่นกระยุตั้งแปดสิบกว่าละเพิ่นกรนิมมดหลวงพ่อดดัล้วพอได้ไปเยี่ยมเพิ่นลูกสาวน้องพี่สาวเพิ่นกนิมตหลวงพ่อกเออขันหลวงพ่อบเจ็บบไข้บป่วยบเป็นอย่างกจิไปเด uk, même, oh ้อบิณฑบาตฉันชาววันที่สพ่ันนั้นวเมื่ออื่นหลวงพ่อเขาคงจะทำมาไม่อย่างออกแต่ชาไปบิณฑบาตชันชาว ที่วัดท่านกูบะหมอเอันนี้ก็คือกรรมคือการกระทำเอาเจะว่าจังไดล่ะก็คงจะเป็นอดี ต, ตกรรมนํากันมาไผ่ก็มอกบาเห็นในอดีตก็มาเห็นในชาตินี้ก็เออผู้ใดพิษผู้ใดถือ ก, ก็ว่าตามพิษตามถือนั่นแหละเพราะมันมันพิษจะว่าถือไดจังได แต่ว่าในอดีตชาติในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเพิ่นบริวาได้ชาติเดียวเท่านี้ทันว่าผู้ใดมาทำภัยกับเาเาวเขายังอีล่านพันตูไปอีกผูกพยาบาทอาคาดจองเว่นไปอีกเว่นจิบอลระงับพ่อใหุ้ใดเพราะว่า มันผูกพยาบาทอาฆาตกันอยู่แต่ถ้าหากว่ากันมาผูกพยาบาทอาฆาตเว้นจะระงับลงได้ต่างคนต่างผู้นั้นก็ได้ท่ำแล้วก็ช้าใจแล้วก็แล้วละ เ, เหตุอย่างไรล่ะเอ้า็บวตตอบขึ้น เ, เขาก็เขาได้ที่แล้วก็คงจะจบไปอันนั้นก็คือเวน้นกรรมเว่นต่อกัน ในอดีตชาติอันเ็นละของพุทธศาสนาแต่ว่าขันผูกพยาบาทอาฆาตจ้องเว่นกันแบบต่อเนื่องก็มีเด้ถึงจะหายอภัยเป็นได้กันยังผูกพยาบาทอาฆาตประจักจบจักษินก็นมีอย่างประเทศ ว, วัฒน์กับพระพุทธเจ้าจังสันแหละแต่ตามไม่จริงก็อไปฆ่าใครน้ำกันเป็นเชี่ยวกันผลที่สุดเกิด ผู้นึงไปได้ท่องว่าผู้หนึงนะ่งเนี่ยหักหลังเจ้าของ ต, ตามไม่จริงบ่นว่ามันหักหลังก็ไปพอผู้หนึง่งตัวเองบ่เอา ผ, ผู้อื่นเขาเอาะผู้อื่นเขาได้แต่ตัวเองอย่าขี่โกงเขาะพอมันความบ่ซื้อหน้ให่มันขี่โกงเขาผู้นึง่งไปเอาไปเอาได้มากเลยโกดผูกพยาบาทนะเพียงแค่นั้นล่ะ จนได้เป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็ได้เป็นนั่นแหละพรในสุภพุทธเจ้าเขาสูนิพัาน์เทวทัตกับยังผูกพยาบาทอาขาดจองเวนลงอเวจีมหานรกไปคนละทางกันบมดผู้หนึ่งขึ้นฟ้าผู้นึงลงดินลงไต้ดินมันคนละทางกันเลยนี่แหละอันนี้ก็คือบาปกรรมเว้นมี ใลรักของพุทธศาสนาเหลอตายแล้วบอ่อศูญตายแล้วเกิดอีกบ่แ ม, มน ต, ตายแล้วแล้วไปบ่แมนได้มีตั้งแต่ตขี่เหล่าบางคนน้นนะเหตุความสัวเราพย่อมรับพย่อมรับความสัวเจ้าของแหม่ย่งปาหมาด ต, ต่อไปพ่ภาคหนาอีกแบบคางคางคู่คู่ถึงจะบอกที่เลน ท, ที่เล่นที่จริง ก็ออบอกข่วรจะเบาแต่บอกควนเหมือนข้คงจะมาได้ใจขึ้กันนั่นแหละจย่างหลวงพ่อสมัยเป็นผาน่อยหลวงพ่อเนี่ยชอบฟังเนี่ยผู้ใหญ่เมากันวนไปออยู่บัณฑตาดจะมาเป็นเน่นนี่แหละผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จูมเลยละ่ะนอ้องหลวงปู่จามเปิ้ลก็เบาเบาพี่ไส้เปิเ้ลฟังบอกให้หลวงปู่จามฟังเฮาจะเป็นเน่น ก็นั่งฟังน้ําเพลินเหรอวะแต่หลวงพ่อเขายัางจําบเรืมอย่างนึกคําอยู่ไม่ใช่แมนโบแมนก็บหุงเหล่าหรอไปมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปลําปลาาแต่ว่าตามไปจริงก็เป็นตัวบุคคลเหะอวะบุคคลในหมูบ่บ้านในชุ่มชนของเขาอนะ่ะคืออิตาเนี่ยมากินเหล่ากินเหล่าตอนยังเที่ยวผิดลูกผิดเมียเขาอีกกว่านไป เป็นลูกพิดลูกพิดเมีย่ยเขาบานเนี่ยเขาก็เป็นที่หูจักกันมาโนบะยโคนบันนอกมันแฉบเลยปวดได้เหตุอยงไรกระดุกกระดิกไปจนเสียเขาเขาก็หูจักมาโนบอยตัวแกเขาก็หูจักท้ายบ้านบักนี่มันเป็นนิสัยทั้งมากๆไปทั้งอการมักิามมากเลสพิษลูกพิดเมีย่ยเขาท่านกินเหล่าอีต่างหากบานเนี่ มนไปว่าอยืดสเพื่นก็บอกเนะีเฮ้ยขั้นกูตายนะ่าไอ้สูเอาหนาเนี่ยหนาเก่งของกูเนี่ยหนาไหมมันไปหนาไหมมันขึ้นหนาเก่งขึ้อแถวแอฟริกาเขายิงหนาไหมนะเป็นหนาเก่งเอาหนาเก่งให้กูหนะ้าใส่ลูกเมันพร้อมแล้วก็พร้อมกันก็เอาขวานให้กู ขวานในกูเหล่ปหนึ่งแล้วก็ผอมกันเอาหมอเอาหมอให้กูผอมนะกับท พ, พี่ผอมนะใส่ในโลงของกูเวลากูตายนะเขาว่าจะเอไปเฮ็ดยังนาเก่งกับขวานกับหมอนะอ้อกูเนี่ยตายลงไปเขาวาดมดจุหมอนทนะ้งโลก มันจะมีกาศบเล็กศบทองเด้่ยกาศบใครว่าภาษาอีสานว่ศาศพแปลว่า ป, ปากปากเล็กปากทองจะงอยปากจะงอยปากเล็กจะงอยปากทองนะก็ว่าศบเล็กศบท้องนะป่าศบเล็กศบท้องเวลาพวกนี่พวกผิดลูกผิดเมียผู้อื่นตายลงไปเหตุนที่เขาเห็นเขาเขียนในฝาผนังะ ตามฝาผนังโบทถขงเขาเคยเห็นมันว่าไงปีนขึ้นต้นงิวเวลาปีนขึ้นต้นงิ้วปวดส่องลงมาเสียบลงมาทางทางไตเวลาหลุดลงมาน้างิ้วแทงกับเก็ดงอเขินไปทางท้าก่งกปน้ำงิ้วต้น้างิวอุบาติเดน้ำงิ้วแน่นาลกกว่าลงไปนี่คือพวกตกนรลกเรื่องผิดลุกผิดเมียผู้อื่นกวาลกไป บรตดกแก่ของขู่จักบรรดากแก่ผิดลูกพินเมียเขาโยนออกไปขันกูตายไปให้เอาขวานเหลี่ยมหนึงนะ่งเนาอแล้วก็นาเก่งแล้วก็หมอทัพพี่พร้อมเ อ, เอาไฟใส่ในพร้อมนะเอามาเอามาขีดไฟใส่พร้อมเขาเ็้อเขาไหวแต่บอพรรดาแกตายเขาก็เห็ดอหลี่โยนออกไปเอานาเก้งให้ใส่โล่งพร้อม แล้วก็หมอโล้หน่วยหนึ่งก็ยัดใจอีกอแล้วก็ขวานอีกเล่มนึง่งหาเอาเอาหายด้กรตัวจากไดยังเขาจะเอาหายตามที่ตัวบอกตะกอนนั่นแหละเขาอ่ะแล้วก็ญยัดหายความหมายก็คือว่าขั้นสูไปที่หลังกูน่ยสูจะไม่ได้นั่นแหะสูจะไ่ได้ปิ่นต้นงิวว่วพรากูจะไปเอาขวานไปปั่มไว้แล้ว การจบแล้วโซท่องกูก็จะเอานาแกงไปยิ่ยงยิ่ยงแล้วกูก็จะมัดต้มกินกับเราอีกตั้งหากคนเพราะกูให้เอาหมอเอาหมอไปน้ำเรา้าเอาหมอใส่ใส่โลงให้กูไปน้าเรา้าเออเขาจัดการให้ยังว่าแล้ว่าว่าพุทธแก่ตายแล้วนะไปตายก็ไปไปได้ก็ไอาขวานเล็มนั่นจะไปปั๊มต้นงิ้วลงไป ไปปั้มต้นงิ้วจิ้มคนปีนขึ้นปี น, น, ปนลงพอไปปั้มใช่แหละก็จิพาเอาขวานย่าเห็ดเป็นฟื้นกันเอาไปตากแดดให้เป็นฟื้งกับเอานาเก้งนี่นี่งาศบเล็กจบท้องเมื่อแล้วโตสองโตเอาไปเอ๋เอามาต้มใส่เหล่าเอามากินกับเหล่ากันเอาไปมันขี้เหล่าเอยชูไปนรกที่หลังชูบาปกรรมไม่น่าไปนั้นไปตามหลังกูเลย พวกมีต้นงิ้วน่ะกูกูกูโคนทิมแล้วปนไปเขาก็เออเขาก็แบั้นนะไต้วันเขาก็หายอิหรีปนอไปพอหายไปแล้วปนเลพ่อตายไปแล้วเขาก็เผาาแล้วไนปะแซตแล้วในบอ่อดนไโอ้โหสู้สู้สูสูสันเลยฟอไปเอาไ อ, ไ, อไอ้ขวานกำนาเก่งกับหมอขึ้นเด้หมสันเอย มาเขา้ามาเขา้าความฝันเขานอนไปเขาก็เลยถามว่าเป็ันเอจันโอยไปหอนเลวมันพญายมฯเราขวานเหล่มนั่นหันซันขวานซับทุบหัวกกุ้ยอีกตั้งหากกันเล่แต่แต่แต่ตาสุก็เหรหหไปเอาออกมาได้เหรอันเนเขวานเหลี่มนั่นพญายมจับทุบได้เลยทุบหัวกกุยอีกตั้งหักกูเลยถูก กาสอบเล็กสอบท้องตอนแล้วยังบวแล้วเนี่ยังยังถือสันขวานพญายมอีกต่างหากคนวะนี่แหละอ อ, อันนี้งจักรจิมันจริงบ่จริงกรบปูหูเเขาก็ว่าเขาฝันคนลงไปฝันว่าเห็นอิตาเ น, นมาบอกคนลงไปตามไม่จริงมันตกนรกขนาดน่ะมันจะมาบอกได้อย่าเข า, เขาบอเขาบอกคุ้มค้างบอ อ, อจิแล็รลอดมากขอพยายมขอไพรพยายมแล้วขอมาบอกกาวหิติพี่น้องกระปูหูหรอวะ ไปยนยมปอบบาทอะไรจีๆจุข้างหลังก็บผมหูหน่อยไป <_ d ata> ไปบอกขบญาติมึงเน้าเลยเออมึงจะไปหาเหตุเนาะมันสัวมันสัวนี่แหละมึตงต้องปปีนต้นงิ้วเลยสันขอนกูจะทุบหัวมึงอีกเ้ว่ยวันวนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งถึงจย่างไรก็ตามความสัวเนี่ยอย่าทำซะเลยดีกว่าพอความสัวเมื่อทําลงไปแล้วความสัวให้ผลอตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อน ผมเป็นจิตเหตุความซัวหรือจะพลิกใส่พลิกควา้าพลิกหนาพลิกหลังมาย่อมควม่ำรับความผิดอตัวไปตัวมาตอแหล่ไปตอแหล่มากไ้คนขี่ตัวหนะูมันหาความสัต์ความจริงบไดายทั้งที่หูทั้งหูว่ามันเป็นอย่างแต่บ่อยากรับความผิดพูดเกี่ยวไปพูดเกี่ยวมากตัวเหว่งมันหูแก้ใจแล้วว่ามันผิดแล้วมันถึกม่นมีบ่ไดจะหูจิ้งว่าตัวเจ้าของเอง วันนั้น้ซื้อสัตว์กับเจ้าของเน่ยดีที่สดุดให้ซื้อตรงซื้อสัตว์คำว่ามันบอกิษหลายเออเอาอย่าอย่าทำถ้ามันพิดหลายเหตุอย่างไรมันพิษแล้วย่อมสรภาพพิษจะดีกว่าจะจัดว่าเป็นนักปราชญ์ขัตตนว่าพิษเหตุพิษแล้วยังบอย่อมรับพิดเนี่ยเผื่อว่าพาละชนเลยในหลักของพุทธศาสนาในท้ำข้ามสอนของพระพุทธเจ้าพาละชน ทั้งที่พูดเหตุผดแล้วโกหกตอแหลอีกขี่ตัวอีกคนทั้งที่คนผู้ใดก็ตามสอบขี่ตัวสอบขี่ตัวทั้งที่ลู่ลูว่าเจ้าของขี่ตัวจะบ่อถ้ำความซัวแนวอื่นเป็นบ่มีพระพุทธเจ้าพ้นทํามนายไปแล้วในขั้งพุทธการ นั้นพี่น้องลูกหลานโพละก็ตามเอพูดตอแหลหนาตอแหลหลังขี่ตัวโกหกทั้งที่เห็นเห็นอยู่ไปนำคุ้นคุนสิบหัำความซัวแถวอื่นเป็นบอมมี่วันนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเข้าได้ศึกษาธรรมะธรรมขามสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว สิ่งใดที่มั่นบริบูรอย่าเหตุอย่าทำอย่าพูดในเรื่องนั้นสำรวมระวังสำรวมกายว่าจาให้เรียบร้อยแต่เมื่อข้าวที่แล้วลงลงพอนะมีลูกหลานมาถามลงพอบอกว่าก้อนผัวข้าวจิตวัยท่านเ้าวข่วนจ ะ, ะชําระกายว่าจาให้เรียบร้อยให้เป็นผูวมิสินสก้อน ในเมื่อเข้าชําระกายว่าจ่าให้เรียบร้อยแล้วเข้าถวายท่านผลท่านอเนกสงแห่งการทําท่านจะไหลทลักเข้ามาสูจส่จิตสู่ใจของพวกเข้าจะได้บุญจะได้บุญเต็มเปี่ยมคันว่าใจของเข้าบอกท่านมีศีลบรได้สธิ์มาท่านศีลว่าชำระกายว่าจนนาน่ยอเนกสงท่านก็เข้ามาสู่ใจของเข้าบอกเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมันใจบรสุทธิ กายว่าจ๋าบรสะอาดเหมือนกับเฮาจีรับเพชรนิ่งจินดาของถิมีคุณค่าว่าของถิมีคุณค่าเฮาต้องมีผ่านล่องผ่านเงินดผ่านท่องแล้วก็มีพากระมีจีลรองรับแล้วก็ว่างท่องข่ำหรือเพชรนิ่งจินดาใสซหันก็มีคุณค่าแปลว่าผ่านล่องรับเลอ เฮามีผ่ากรามรมยีล่องส ะ, สะอาดเนี่ยแหะอันนี้คือคือกันเฮาจำละ ก, กายว่าจ่าของเฮาให้สะอาดแล้วก็เฮากระทําบุญบุญนกุศลจะเข้ามาสู่จิตใจของเฮาสมบูรณ์อันนี้สงในการทำทานของเฮาอันนี้หลวงพ่อกัเดเวัามากมมยแต่มีลูกหลานบางคนงสงสัยบันฑ์เอ้หลวงพ่อหลวงตา คำว่าสําระกายวหวจ่าในเห็ุจังใดที่เหตุจังไดว่าซ้ำละกายวหวจ่ า, จาหให้สะอาดเนี่ยเขาจะไปอาบนาบถูสบูส่ซะก่อนหมอแล้วจะไหวจา เ, เขาจะเหตุจังใด น, นี่ลูกหลานรุ่นใหม่หลวงปอโอยว่าเป็นอย่างไรนะลูกหลานเนี่คําว่ากายวหวจาตัวนี้กายคือคือสําร้วมกายคือบ่อขาซัดบ่อขมุ่ยซับ บ่ประพฤติผิดในกามบอ่อขี่ตัวบ่กินเหล่าอันนี้แหละชำละกายในหลักของพระพุทธศาสนาในลักธรรมขําสอนของพระพุทธเจ้าบ่เมนจะไปอาบนา้ำฟอกสบู่ตกแต่งล่างกายใส่แป้งแต่งตัวอย่างดีช่วยว่าชำละกายบ่เมนเดชถึงจะอาบน้ำชำละกายปันไดก็ตาม ตัวเองเนีไปขาสัตว์ไปขโมยทรัพย์ไปประพฤติผิดในกลมไปขี่ตัวไปกินเหล่าอยู่อันนี้ถึงจะกายล่างกายสิสะอาดตกแต่งล่างกายสวยง่ามปนัยใจเพชรนิ่จินดาใ่เสือผางามปนใดก็ตามแต่ตัวเองไปเห็ุความสัวอันนั้นปรบกายกายสกรปรกกายสกรปรกในหลักธรรมค้าสอนพลวมมันกายสะอาดแน่น่ะสะอาดจากเครื่องตกแต่งซื้อ แต่ว่าการกระทําน่ยมันสกปรกเป็นเนนในการกระทําในเรื่องพูดคือกันสำหรับวาจาเคยขึ้นกันบ่นนนบอโดบ่อูดเดพ็ดบ่อูดเถ็ดบ่พูดกี่ตัวบ่อผูดคํามหยาบบ่พูดสำหรับเปิดเจอบออ่อผูดเยอะยุแย่งไ อ, อ้คนทะเลาะกันบ่ได้ก้าวโทษกันบ่ก้าวอิจฉาตาเหลือกันก้าวจะเป็นเรื่องศีลเหลืองถ้ำเหลือง แนะนำกันไปในทางที่ว่าจะได้รับความรู้ให้ให้ถ้ำแนะนำถ้ำถเป็นท่านแล้วก็แนะนำวิทยาท่านแน่ความรู้จะเกิดประโยชน์อย่าไปกี่ตัวอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงผู้อืน่นอันนี้คือว่าจาสะอาด มแนวอื่นในหลักธรรมข้าสอนกายสะอาดว่าจ่าสะอาดเกิดขึนะ้นบ่เหตุความซัวบ่อูดความซัวสรุปแล้วเนี่ยให้ฟังเอาไว้น่าหลูกหลานหน้าคันห้า่กายของห้าบ่เหตุความซัวแล้วว่าจ่าของห้า่บ่เหตุความซัวแล้วแล้วเขาห้า่ทำบุญทำท่านอานในสงแหงท่านก็จะไหลทะลักเข้ามาสู่จิตใจของห้าใจของห้า่จะมีแต่ความล่มเย็นผาสุก พเพราะเฮ้ามีบุญเฮ้ามีกุศลแ ล, ล้วหนึกนึกคิดขึ้นมาเมื่อใดใจของเฮ้าก็สบายมีความสุขนั่นแหะบุญนั่นแหะคือความสบายใจคือความสุขใจนั่นแหะคือบุญแต่ให้พวกเฮ้าถ้าเฮ้าคิดเข้าถําไปนั่งท่างบอดีไปข่าเขามากไปขโมยเขามากไประลาบระหลวงในสามีภรรยาผู้อื่นเขามากไปโกหกขี่ตัวเขามากไปกินเหล้าเ ม, มามากแล้วหนึกนึกขึ้นมาเมื่อใ ด, ใดอเฮ้เาก็สบายใจ เป็นทุกข์ใหญ่เพราะอะไรเพราะเข้าไปทาสิ่งที่มันบอดีนี่แหละหลักธรรมความสอนของพุทธะให้พวกเข้าศึกษาให้เขาฟังไวดเดอร์นี่แหละอันนี้แหละคือสรุปแล้วก็คือเรื่องศิลป์เรื่องศิลป เ, เรื่องท่านเรื่องศิลป์ท่านก็คือการยู่ด้วยกันการเสียสละมากหน่อยเรื่องศิลก็สำนวมกายวาจา่ังที่วา แต่เรื่องสมาธิเนี่สัมร่วมใจได้ป่ะนี่แนวความคิดคิดจังไรเป็นคิดผิดคิดจังไรเป็นคิดถูกป่เ น, นนนกนเนี่ยตัวนั้นแหละสำคัญในหลักของพุทธศาสนาเนี่ตัวนี่แหละตัวเรื่องใจเนี่ยสำคัญก่อนจะคิดผิดคิดถูกเะครับที่ลู่ได้จังไร่าคิดผิดคิดถูกเนี่ยจิตใจต้องเป็นสมาธิสกอร์นะจิตใ จ, จหนึ่งอาว่าจิตใจของของ้าว่มเป็นสมาธิจิตใจล้วนเล่จิตใจ วิตกกังวล น, นิใจเนี่ยนะวันนึงอยู่พออยู่กับเหนือกับตัวคือยังคนเป็นบาตยังสิมันก็บูชาคนดีบูชาสัวอ่จักคิดผิดจะคิดถูกมันก็บูชกอีกเพราะนั่นใจต้องเน่งใจต้อ ง, งเป็นสมาธิเมื่อใจจิตใจเป็นสมาธิจะทําเหตุอย่างไรจึงใจเป็นจึงจะ เ, เป็นสมาธิก็ให้บริกรรมอให้ใ จ, จิตใจเน่ง บริกรรมก็กรรมฐานได้กรรมฐานหนึ่งกรรมฐานคือยังเกิดขึ้นเนี่ยพุทโธเนี่ยหลุดกรรมฐานทำทำโม่กรรมฐานชังโคกรรมฐานอาณาปณะจติกำหนดลมหายใจเขาออกเป็นกรรมฐานเนี่ยให้กบกำหนดกรรมฐานเนี่ยเอาพุทโธเนี่ยหายใจเขาหายใจเขาพุทหายใจออกโธเนี่ยนี่แหละให้บริกรรมเมื่อจิตใจเน่งจิตใจความรู้สึกนึกคิดของเข้าประปรงไปทั้งอื่นน่ย ใจิตใจอยู่กับตัวเจ้าของบาดเฮ้าจะมองเห็นไะไรว่าความผิดความถูกกายของเฮ้าถูกบ่อว่าจ้าของเฮ้าถูกบ่ใจของอ้อนมันคิดไปในทางใดเฮ้าจะเบิ่งใจเจ้าของเห็นแล้วบาดในเมื่อเบิ่งใจเจ้าของเห็นเลยก็สําร่วมเบิ่งเหตุอย่างไรมันจึงจเป็นเอคิดเป็นอมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดคิดจย่างไรมันคือความเห็นถูกมันเห็นใด การมาจิตใจของข้อบอสกบบอ่อนะิ่งเนี่ยมองบอเห็นเพราะนั้นพื้นว่าก่อนที่จะลูดจิตใจคิดผิดหรือคิดถูกเนะี่ยมันต้องจิตใจหนึ่งพอสมควรนะพอหนึ่งแล้วบัดเราจึงจะลูดได้เราคิดไปในทางที่ถูกที่มันผิดมันเนี่ยมันผิดเนีจะไปหาคิดมัน่นตามันคิดมั่นไปแล้วผลของมันที่ตามมาที่หลังบัดเมื่อเราคิดผิดเราก็ทําก็ทําผิดบัด การพูดก็พูดผิดไปออเพราะมันผิดออกมาจากใจเพอ น, นั่นแหละนี่แหละเพื่อยังให้ความสําคัญหลักของพุทธศาสนาหลักธรรมข้ามสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่กูบาอาจารย์เฮาเพื่นยังว่าให้เบื่อใจใจในตัวการสําคัญลูกหลานในคดิษฐ์ทาญาโิโยมเด้อ้าว่าใจของเขาโมโหโก้ท่าขึ้นมากโลบขึ้นมาโกโกดขึ้นมาหลงขึ้นมากลาคะโทษสาโมหะขึ้นมา มันก็ไปตามนั่นแหละไปตามที่มันคิดขึ้นมามันก็เหตุตามที่มันคิดโลบขึ้นมาอย่างนั้นไปลากเขาไปไปขโมยเขาโลบขึ้นมาโกดโกดขึ้นมาก็คลอนไปตีหัวเขาไปคาเขาอไปดาเขาอยากหน่อยหน่อยนะอารมณ์โทษสามันเพราะมันมีโมหะเจา ก, ก่อนคือความหลงเจ้า ก, ก่อนหลงว่าเจ้าของสิยูในโลกวัฏสรรงสารตายพอเป็นคนไปอมันจึงมีราคะมันจึงมีโทษสะเออานี่แหละ อันนี้ค่ะว่ามีสมาธิหลือเข้าจะมองเหตุมันมีโมหะเพราะอันใดมันมีโทษะเพราะอันใดมันมีราคขาเพราะอันใดมันมิความโลภตัวนใดโกรธเพราะอันใดหลงเพราะอันใดมันจะหูจักแต่เพราะอันใดเพราะเขาจิตใจเขาเน่งนะจิตใจเป็นสมาธิเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือมันเกี่ยวเนืองกันนะเกี่ยวเนืองกัน การเลืองศีลก็เกี้ยวขันข้นมีศีลดีแล้วนะสมาธิมันก็นเกิดได้ง่ายพอจิตใจเขาบปูงฝุ่นปุ่นเหตุไปเนี่ยเนี่ยมันสัวเด็ดกากเขาไปคาเขาบอกไปขโมยเขามายกโยกเนี่ยมานัง่งภาวนาเนี่ยมันจะเป็นสมาธิได้จังไรมั้ยพอเห็ุไดเพราะใจของเขามันออไปทําความสัวเสียหายมากเขามาเนะมานั่งสมาธิแต่ว่าเขารักษาศนะีลมเน่ยรักษาศีล หาแหละบริลีบูนแล้วมานั่งพ่อวนาใจเขาพ่อคนหนึ่งใดเพราะเหตุใดเพราะเข้าพระเดชธรรมความสัวเสียหายมากนี่แหละมันเกี่ยวเนืองกันนี่แหละเรื่อว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วอบรมทั้งปัญญาคิดไปในทั้งปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงได้พวกเขาศึกษาคณะัาติญาติโยมลูกหลานเรื่องศีลธรรมของพระพุทธเจ้าบอกไปก็ว น, นมากวนมากก็วนไป พเพราะห้องมียังได้ยิบวนไปมางอื่นกับบไตรใดมิถกายวาจใใจของห้องเถอะนะโภคในสุขมหาใจของห้องเถอะนะมิะส่สินสมาธิปัญญาท่านสินภาวนาโลภโกรธหลงราคะาโทษสาโมหะมันกระโบนี้จากนี้ว่าไปไซมันกระโบนี้จา ก, ก, จากติเฮ็ดอย่างไรมันมีอย่ดทอนี้แต่มันกรหลงทอนี้มันหลงอยู่นอ่คั้นทว่าห้าบวหลงไม่ต้องบวชแล้วก็จบ อย่างผมพูดให้เจ้าเ อ, อเทุปัญจ ว, วัคคีย์ทั้งหาเป็นพระหรหันมืดแหละจบแล้วปริญาเอกแหละไม่ต้องพูดกันอีกนะอันนั้นแปลว่าจบอยังเข้าุตยังปุตุชนอย่างเข้าเนี่ยเบาๆบาอดายบอดไะเอ่ยขึ้นกันสอนเด็กหน่อยสอนพรท่านหูอย่างกับสอนเอกสอนสอ น, สอนเดอก ส, สอนพวกเขาก้าสอนใจหองจะคอก็สอนแตคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วเพราะว่านาบ เออพี่เจรนญนาวพระตายตายก็ยังมายอมมัตา ย, ย, ย, ม, ตายมันบ่นยอมอยู่เห็นไนเอยต้องพยายามเบิ้งให้กรคักจ น, น, น ม, มันย่อมม่นเออมันเป็นื้อสันอีริยาเดียวเลยมันยังค่อยยอมมันยังคอยยอมรับก่อนจ่ยอมรับดเดยโอ้พ่อแห้งขึ้นกันนะลูกหลานนะเมื่อเนยลงพ่อเว้าแบบภาษาไงายให้ลูกเห็นหลานได้ฟังภาษาบาทเฮ้า เอาตอนนี้ไปรับพรเนตนะินีนะประสงค์อนุโมทนาให้พร